บัรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิยะแห่งศีลานุสติที่ได้กล่าวมาแล้วในวันกอนนั้นในชั้นของการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นศีลสมบูรณ์ในแต่ละข้อที่พระพุ้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้นั้น ในช่วงแรกจะเป็นเรื่องของเจตนาวิรัติงดเว้นตามองค์ของสิกขาบทแต่และข้อที่ทรงบัญญัติไว้ในช่วงต่อมาจะทรงแสดงถึงธรรมะซึ่งเป็นอุปการะแก่ศีลแต่และข้อเพราะถ้าหากว่ามีแต่เจตนาวิรัติงดเว้นในเรื่องของศีลเพียงอย่างเดียวแต่ขาดธรรมะเป็นหลักคุ้มครองใจแล้ว โอกาสที่จะรักษาศีลให้เกิดเป็นศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทแก่ตัวไม่รักษาด้วยอำนาจตัณหามาณนะและโน้มน้อมไปเพื่อสมาธินั้นเกิดขึ้นได้ยากดังนั้นในที่ใดก็ตามที่ทรงแสดงเรื่องของศีลเอาไว้โดยเฉพาะศีลห้าข้อจะมีธรรมะควบคุมไว้ข้างหลังเสมอไปเฉพาะในที่นี้ จะกล่าวโดยในยะหนึ่งเพื่อเป็นอุปการะแก่การรักษาศีลจนสามารถเจริญศีลานุสติให้ดำเนินไปตามขั้นตอนแห่งสมาธิได้อุปการะธรรมประการแรกและถือว่ามีความสำคัญในชั้นของการรักษาศีลก็คือเรื่องของอินเสียสงวรได้แก่การสำรวมระวังอินทรียของตน เวลาเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรส ด, ด้วยลิ้นถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เรียกว่าโพทภะด้วยกายและการเหนียวนึกของใจในอารมณ์ต่างๆที่เก็บสะสมไว้ภายในจิตซึ่งในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าหลักธรรมในแต่ละขั้นตอนที่ทรงแสดงไว้จะเด้นไปที่ ตัวอินเสียสังวรคือความสำรวมระวังอินีย์โดยเฉพาะที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างศีลกับสมาธิก็เชื่อมด้วยอินเสียสังวรเพราะความดีและความไม่ดีที่เข้ามาสู่จิตใจของบุคคลนั้นล้วนแล้วแต่ผ่านมาจากประสาทสัมผัสทั้งหถ้าหากว่าไม่มีการสำรวมระวังในจุดนี้โอกาสที่อกุศลต่าง จะเข้ามาสู่จิตก็มีได้ง่ายเมื่อภายในจิตใจกรอบด้วยอกุศลเป็นนันมากโอกาสที่จะสํารวมระวังศีลในแต่ละศิขาบทก็ทำได้ยากเช่นเดียวกันดังนั้นท่านจึงสอนเรื่องอินเซียสังวรไว้ในที่ต่างๆเป็นนันมากเพราะเป็นอุปการธรรมอย่างสำคัญในการที่จะรักษาศีลและประพฤติปฏิบัติ ธ, ธรรมระดับสมาธิ การปฏิบัตินั้นส่งแสดงไว้โดยนยะเป็นต่างๆเช่นว่าสํารวมด้วยอาศัยสติคือความระลึกหมายความว่าเมื่อเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นแล้วก็มีสติเป็นตัวระลึกรู้ถึงรูปเป็นต้นเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเป็นทางเกิดแห่งกุศลหรือเป็นเชื้อที่จะเพิ่มกุศลขึ้นภายในจิตใจ ก็มนัตสิการคือใส่ใจถึงรูปเหล่านั้นแต่ถ้ารูปเสียงเป็นต้นเหล่าใดเป็นการเพิ่มเชื้อให้แก่กิเลสมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นแล้วก็ไม่ใส่ใจถึงรูปเป็นต้นเหล่านั้นเป็นการยุติไม่ให้กิเลสที่มีอยู่แล้วเพิ่มขึ้นและเป็นการปิดกั้นกระแสะแห่งกิเลสที่ยังไม่เกิด สติที่ทำหน้าที่ในลักษณะอย่างนี้นอกจากจะเป็นการนึกรู้แล้วยังทำหน้าที่ปิดกั้นกระแสะแห่งอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในลักษณะที่เพิ่มเชื้อของกิเลสบางครั้งบางคราวทรงแสดงในรูปของการใส่ใจหรือไม่ใส่ใจซึ่งหมายความว่าไปใส่ใจในเรื่องอะไรเข้ากุศล บาปกุศลเกิดขึ้นก็ไม่ใส่ใจเรื่องนั้นใส่ใจแล้วกุศลความดีต่างๆเกิดขึ้นก็ใส่ใจในเรื่องนั้นบางครั้งเป็นเรื่องของการใช้ความรู้คือปัญญาหรือญาณความรู้ที่บังเกิดขึ้นสัมพันธ์กับการเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นรู้ชัดแจ้งลงไปเลยว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแล้วพิจารณาตัดสินไปตามเหมาะ ตามควรแกอารมณ์เ่าดันซึ่งในชั้นของการใช้ปัญญาความรู้วิเคราะห์ตัดสินอารมณ์ในลักษณะนี้หากว่าพื้นฐานทางปัญญาของคนมีมากพอที่จะวินิจฉัยตัดสินได้ตัวอารมณ์เป็นอะไรมีความสำคัญน้อยกว่าการที่จะพินิจพิจารณาอารมณ์นั้นในลักษณะอย่างไรข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประสบความสาเร็จในการสแสวงหาทางแห่งประสมาสัมโพธิญาณพระองค์สามารถมองสิ่งต่างๆซึ่งเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นกลางกลงบ้างแต่ทรงใช้ปัญญาเข้าไปวิเคราะห์ขบเจาะสิ่งเหล่านั้นนํามาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ได้ทั้งหมดแต่ในกรณีนี้เรื่องที่จะต้องระมัดระวังมากก็คือปริมาณแห่งปัญญาว่า มีมากพอที่จะตัดสินอารมณ์เหล่านั้นได้หรือไม่พระถ้าหากว่าปัญญาไม่แก่กล้าพอแล้วโอกาสที่จะหลงทิศทางแห่งการประพฤติปฏิบัติจะมีได้ง่ายเหมือนกันข้อนี้พึงดูตัวอย่างการเจริญกรรมฐานบางอย่างเช่นอสุภกรรมฐานในชั้นของการพิจารณาซากศพนั้นก็สงสอนให้ระมัดระวังในเรื่องปริมาณของปัญญาเหมือนกัน แทนที่จะดูศพตั้งแต่ศีรษะมาถึงเท้าก็ให้ดูในส่วนใดส่วนหนึ่งของซากศพและจะต้องดูซากศพที่เปือยมีกลิ่นเหม็นมีน้ำเหลืองไหลเป็นต้นเพื่ออะไรเพื่อป้องกันจิตไม่ให้หวนกลับเข้าไปสู่ราคะความกำหนัดในรูปเป็นต้นเหล่านั้นกานั้นการวิเคราะห์ตัดสินในชั้นนี้เป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยปัญญาซึ่ง เกิดขึ้นจากการศึกษาการพินิษพิจารณาการลงมือประพฤติปฏิบัติของบุคคล น, นั้นเป็นอุปการะธรรมเข้าไปค้ำจุนเข้าไปสนับสนุนอีกด้วยถ้าหากว่าปริมาณของปัญญานั้นมีความแก่กราบมากพอแล้วอาจจะเห็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมดามันมีอยู่ปรากฏอยู่ในที่นั้นนำมาเป็นประโยชน์ในการฝึกปลือจิตใจ ในการรู้แจ้งแทงตลอดแทงธรรมะได้อย่างท่านเล่าถึงพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งได้ทอดพระเนตรเห็นมาม่วงสองต้นต้นหนึ่งไม่มีลูกผลอะไรไม่มีใครไปรบกวนต้นหนึ่งมีลูกดกคนรบกวนโดยการคว้างปาปีนป่ายตัดกิ่งลงมาเพื่อต้องการผลพระองค์ก็วนกลับมาพิจารณาถึงชีวิตของคนว่า ถ้ามีอะไรที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นแล้วย่อมจะเป็นที่รบกวนต้องการของบุคคลทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าบุคคลปล่อยวางละสละสิ่งต่างๆออกไปการรบกวนวุ่นวายต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นและในที่สุดก็ตัดสินพระไทยปลีกพระองค์ไปจากบ้านเมืองโดยใช้คำว่าเที่ยวไปเหมือนนอแรดไม่มีใจเกาะเกี่ยวในอารมณ์ทั้งหลาย การพิจารณาในชั้นนี้แม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ก็ทรงพิจารณาสิ่งต่างๆที่ผ่านมาให้เกิดเป็นประโยชน์ได้มากเช่นพิจารณาถึงสายพินซึ่งเป็นเรื่องของปกติธรรมดาแต่ก็นำมาพิจารณาเทียบเคียงถึงหลักในการประพฤติปฏิบัติของพระองค์ว่าในกรณีที่ยอดย่อนเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเหมือนสายพินที่ ถึงย่อนเกินไปก็ดีดไม่ดังแต่ถ้าหากว่าเคร่งเครียดจนเกินไปทรมานกายทรมานใจมากเกินไปกายก็จะกระสับกระส่ายจิตก็จะกระสับกระส่ายความส ง, งบก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนสายพินที่ตึงเกินไปขืนดีดข้าวก็จะขาดและไหนที่สุดก็มายุติลงที่พินซึ่งเป็นกลางๆไม่ย่อนและไม่ตึงทำให้ได้แนวในการประพฤติปฏิบัติ จนสามารถขจัดกิเลสเป็นสมุเทเฉติประหานเป็นประธานต่สมาสัมพุธเจ้าอย่างที่ทราบกันเรื่องของอินเสียสังวรตัวการที่สำคัญที่สุดก็คือความใส่ใจกับไม่ใส่ใจที่ท่านใช้คำว่ามณัสิการขอนี้เพงเห็นได้ว่าในกรณีที่ตาเห็นรูปนั้นองค์ประกอบสำคัญก็มอีอยู่สี่ประการคือหนึ่งเรามีตาสองมีรูปสามมีแสงสว่าง ถ้ามีเพียงสามอย่างนี้ก็จะไม่เกิดเป็นความยินดีหรือความยินร้ายขึ้นภายในจิตใจของคนแต่ถ้าเพิ่มมนัสการคือความใส่ใจเข้าก็จะเกิดความยินดีในอารมณ์บางอย่างและความยินร้ายในอารมณ์บางอย่างส่วนที่เป็นความยินดีก็จะเพิ่มกิเลสสายโลภะขึ้นมาที่เรียกว่าอภิชาส่วนที่ยินร้ายก็จะเพิ่มกิเลสสายโทสะหรือโทมนัสขึ้นมา การปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาโดยเฉพาะในชั้นของสติปัฏฐานที่สรงแสดงไว้นั้นคือมุ่งที่จะถ่ายถอนอภิชาและโทมนัสออกไปจากจิตใจแต่ถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันเชื้อของอภิชาและโทมนัสเกิดขึ้นอยู่เสมอแล้วจะมีลักษณะเหมือนการกวาดบ้านในขณะที่เรากวาดไปนั้นก็ปล่อยฝุน่นเข้ามาเรื่อยๆโอกาสที่บ้านจะสะอาดก็มีไม่ได้ เรือนใจของบุคคลที่จะต้องการปฏิบัติขัดเกลาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในส่วนที่กวาดก็กวาดไปในส่วนที่ป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองทุลีใหม่แม่ข้าวมาก็เป็นเรื่องที่จะต้องป้องกันดังนั้นการปฏิบัติในรูปของอินเสียสังวรจึงถือว่าเป็นอุปการะธรรมในการที่จะให้เกิดเป็นศีลานุสติประการหนึ่งประการต่อไปก็คือการบริโภคใช้สอยปัจัย ที่บุคคลขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันแต่ในการบริโภคใช้สอยปัจจัยเหล่านั้นถ้าหากว่าบุคคลขาดปัญญาเป็นหลักในการวิเคราะห์ในการพินิพจดาให้รู้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ถึงความจำเป็นอย่างแท้จริงแห่งปัจจัยทั้งสี่แล้วแทนที่ตนเองจะเป็นเจ้าของหรือเป็นนายบังคับใช้ปัจจัย4เหล่านั้นแต่จะกลับถูกปัจจัยทั้ง4ประการนั้น เป็นนายบังคับใช้จิตใจของบุคคลให้สายไปในอารมณ์ต่างๆเพื่อแสวงหาเพื่อได้มาเพื่อถือครองปัจจัยทั้งสีไปกันถ้าหากว่าปริมาณแห่งความอยากเกิดควบคุมไม่ได้ขึ้นมาเมื่อไหร่สีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สเป็นต้นก็จะเริ่มทะลุเริ่มดางเริ่มพลอยจนถึงขาดไปในที่สุด ข้อนี้ดังที่ได้เคยกล่าวมาในเรื่องศีลวิสุทธ์ได้ว่าเรื่องของศีลัันเป็นข้อบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันกิเลสประเภทที่รุนแรงจึงเรียกว่าวิติกรมะกิเลสคือทลักล้นออกมาภายนอกจนไม่อยู่ในวิสัยที่จะควบคุมได้ในที่สุดอาการกายวาจาของบุคคลก็จะกระทำไปตามอานาจของกิเลสที่ล้นออกมานั้น กิเลสล้นขึ้นมาได้ยังไงล้นขึ้นมาจากการเพิ่มพูนแห่งกิเลสในแต่ละวันของชีวิตในขณะเดียวกันภายในจิตก็ไม่มีการชำระไม่มีการขัดเกลากเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งภายในและภายนอกก็คล้ายๆกับบุคคลรินน้ําลงไปในแก้วทีละหยดทีะะทะะละหยดรินลงไปเรื่อยๆช่วงหนึ่งก็จะเต็มแก้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรมาก แต่ถ้าล้นแก้วต่อไปก็จะมีปัญหาคือจะทำให้พื้นที่รองรับแก้วนั้นเปื้อนเป็นต้นจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าปริมาณของกิเลสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในที่สุดก็จะล้นล้นแล้วก็ออกมาภายนอกทุจริตทางกายทางว จ, จาก็จะปรากฏด้วยอำนาจของกิเลสที่ล้นมานั้นในชั้นของการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์แห่งการบริโภคปัจจัยสี่ จึงเป็นอุปการะธรรมที่มีความสําคัญอีกประการหนึ่งนั่นคือให้ทรงสอนให้บุคคลกําหนดพิจิพิจารณาถึงปัจจัย4ี่แต่ละอย่างซึ่งแน่นอนในชั้นของการดํารงชีวิตทรงเรียกว่าเป็นเครื่องอาศัยของการดํารงชีวิตบุคคลไม่อาจจะขาดสิ่งเหล่านี้ได้แต่ก็ทรงสอนให้อยู่ในขั้นของเป็นเจ้าของปัจจัย4ี่ อย่าให้ปัจจัยสี่เป็นนายบังคับใช้ตนจ้ในเรื่องของอาหารก็ทรงสอนพิจารณาเห็นว่าการบริโภคอาหารนี้ไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อประดับตกแต่งเพื่อสนุกสนานเพื่อความอร่ อ, รอยอร่อยหรือเพื่ออ้วนเพื่อพีแต่ประการใดแต่ให้มนุสิกาิตอยู่ภายในใจว่าการบริโภคอาหารนี้เพียงเพื่อะจัดความผิวเก่าป้องกันความผิวใหม่ ให้ร่างกายเจริญเติบโตมีกำลังสามารถประกอบกิจการงานได้เท่านั้นซึ่งในชั้นของชาวบ้านทั่วไปผู้ครองเรือนหากว่าพิจารณาเพียงเท่านี้ก็จะสามารถประหยัดปัจจัยสี่ลงไปได้บ้างอย่างน้อยที่สุดก็จะควบคุมการแสวงหาไม่ให้ถึงกับผิดศีลผิดธรรมเพราะว่าความต้องการจะไม่เกินส่วนเท่าที่ร่างกายปรารถนา แต่ถ้าหากว่าเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งมีชีวิตเกี่ยวข้องอยู่กับการอุปถัมภ์บำรุงของชาวบ้านด้วยแล้วทรงสอนให้บริโภคอาหารประเภทที่เรียกว่ายาปนม้ตตังคือยังอัตภาพให้เป็นไปไม่สุดโสมเกินไปเท่านั้นเองการบริโภคอาหารในชั้นของการบำเพ็ญเพียรทางจิตซึ่งเกี่ยวข้องกับการส ง, งบถีนมิทะคือความง่วงเงาขานอน ซึ่งเป็นนิวรนิวรธรรมประการหนึ่งนั้นทรงแสดงไว้ว่าให้สังเกตการรับประทานอาหารเมื่อเห็นว่ายังอีกสีห้าคำจะอิ่มแล้วให้หยุดลงเพียงเท่านั้นต่อแต่นั้นก็ดื่มน้ําเป็นการอิ่มพอดีแต่ถ้าบริโภคอาหารเริ่มมาจากอิ่มที่กับข้าวแล้วมีของหวานมีน้ําตามเข้าไปในที่สุดก็จะเกิดเป็นรูปของถีนมิธะ ซึ่งเป็นนิวรณ์ที่ทําให้จิตไม่สามารถส ง, งบได้ในชั้นของที่อยู่ที่อาศัยในชั้นของเครื่องนุงหม่มก็ส่งสอนให้พิจารณาโดยทํานองเดียวกันเพราะวัตถุประสงค์ในการมีเครื่องนุงห่มก็ดีในการมีเสนาสะนะที่อยู่ที่อาศัยก็ดีนั่นเต็มตามวัตถุประสงค์แล้วหรือยังถ้าหากว่าเต็มตามวัตถุประสงค์ที่ตัวต้องการก็ยุติลงแค่นั้น เพื่อควบคุมความคิดไม่ให้สายไปอยากได้ในอารมณ์ต่างๆเพราะถ้าขืนสายไปแล้วกิเลสก็จะล้นออกมาข้างนอกอีกแล้วจะสแสวงหาในทางไม่ชอบธรรมอีกอุปการธรรมประการต่อไปก็คือเรื่องของการดํารงชีวิตประเภทที่เรียกว่าอาชีวะบริสุทธิ์คือการเลี้ยงชีพนั้นจะต้องยึดหลักของอาชีวบริสุทธิ์ที่ คือเป็นการเลี้ยงชีวิตในทางที่บริสุทธิ์เลี้ยงชีวิตอย่างไรที่เรียกว่าเป็นการเลี้ยงในทางบริสุทธิ์กฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆที่ท่านกำหนดไว้สมหรับภาวะหน้าที่ของบุคคลอย่างไรก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นในชั้นของการสแสวงหาปัจจัยไม่ได้ปิดกั้นการสแสวงหาปัจจัยแต่จะต้องควบคุมไว้ด้วยหลักของสมาชีวะ คือการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบคําว่าการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบโดยพุทธาธิบายเองก็ทรงใช้คําโดยสรุปว่าอริยาสาวกในพระาศาสนานี้ละการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดแล้วมาดํารงชีวิตโดยสัมมาชีพคือเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบรายละเอียดนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไป อย่างเช่นเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาปฏิญาณตนนับถือพระพุทธศาสนานั้นอาชีวประุทธิ์ที่ทรงแสดงเอาไว้ยกตัวอย่างในชั้นของการค้าขายก็จะต้องไม่ค้าขายสิ่งที่เป็นสื่อแห่งอาชญากรรมหรือจะนำความเดือดร้อนให้บังเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นเช่นการค้าขายสัตว์เป็นค้าขายจัตราอาวุธค้าขายสุรา ้าขายบุคคลเป็นต้นตลอดถึงยาพิษต่างๆเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นเป็นชั้นของมิจฉาชีพสำหรับอริยะสาสำหรับผู้ปฏิญาณตนนับถือพระพุทธศาสนาในระดับของอุบาสกอุบาสิกาแต่ว่าหน้าที่การงานของบุคคล น, นั้นจะมีอยู่อีกเป็นนั้นมาก เมื่อเราโดยสรุปก็คือว่าคนทำงานในฐานะในหน้าหน้าที่อันใดก็ตามจะต้องปฏิบัติให้ถูกตรงไปตามการงานในหน้าที่เหล่านั้นเช่นเป็นข้าราชการเป็นพนักงานบริษัททางร้านหรือธุรกิจต่างๆกฎเกรณฑ์ระเบียบแบบแผนที่ได้ถูกกำหนดไว้โดยสถาบันนั้นๆว่าอย่างไรก็ปฏิบัติให้ถูกตรงไปตามกฎเกณฑ์ที่ท่านกาหนดเอาไว้ ซึ่งบรรดากฎเกณฑ์เหล่านั้นเมื่อพิจารณาให้ซึ้งลงไปจะเห็นได้ว่าอยู่ในวิสัยที่คนซึ่งมีความตั้งใจดีพอสมควรสามารถประพฤติปฏิบัติได้ทั้งนั้นไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่เกินไปสำหรับคนซึ่งฝ่ายดีมีพื้นอัธยาศัยยินดีในธรรมยินดีในความดีงามทั้งหลายดังนั้นการวินิจฉัยกฎเกณฑ์ต่างๆบางครั้ง จึงไม่อยู่ที่ตัวกฎเกณฑ์แต่อยู่ที่ตัวบุคคลซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์เหล่านั้นอย่างที่พระผุมีพระภาคเจ้าทรงรับสั่งเรื่องของการกระทำดีและการกระทำชั่วแห่งบุคคลทั้งหลายในโลกว่าความยากง่ายนั้นไม่ได้อยู่ที่ความดีและความชั่วแต่อยู่ที่ตัวบุคคลผู้กระทำดีและกระทำชั่วอย่างรับสั่งแสดงไว้ว่าความดีอันคนดีทาได้ง่าย ความชั่วอันคนดีทำได้ยากซึ่งหมายความว่าสาหรับคนดีที่มีพื้นอัธยาศาัยดีดั่งความดีเป็นที่นิยมยินดีพอใจของบุคคลดีเหล่านั้นเพราะฉะนั้นความดีในชั้นนั้นจึงเป็นการง่ายสมหรับคนดีทั้งหลายแต่จะให้คนดีไปกระทำความชั่วนั้นเป็นการฝืนความรู้สึกเหมือนกับคนที่ตกแต่งร่างกายสะอาดเรียบร้อยแล้ว จะไปจับสิ่งที่แปดเปื้อนหรือทําสิ่งที่สกรปรกให้แปดเปื้อนเสื้อผ้าแปดเปื้อนร่างกายของตนเองนั้นทําได้ยากในขณะเดียวกันสำหรับคนบางคนก็ทรงแสดงว่าความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายแต่ความดีอันคนชั่วทําได้ยากซึ่งแสดงให้เห็นว่าสําหรับคนชั่วแล้วการจะทวนกระแสจิตใจขึ้นไป ทำตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขระเบียบแบบแผนต่างๆจนถึงการปฏิบัติตามธรรมะที่ทรงแสดงเอาไว้เป็นเรื่องที่ยากสมหรับบุคคลผู้นั้นแต่ถ้าหากว่ากระทําความชั่วแล้วกลับเป็นการง่ายท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของการกระทําความดีและการกระทําความชั่วนั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางจิตใจคือความเข้มแข็งในทางใจของบุคคลเป็นหลักสําคัญ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีอุปการธรรมอื่นๆเช่นการได้บังเกิดมาในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีอายุจเจริญขึ้นมีการศึกษาดีขึ้นรู้จักสำนึกแยกแยะความดีและความชั่วได้อะไรที่เป็นความชั่วเมื่อพลังพลาดทำลงไปมีความสำนึกเสียใจยได้ให้ความสำคัญแก่คำกล่าวคำตาหนิคายกย่องของวิญยูชนทั้งหลาย มีความสำนึกเห็นโทษที่จะต้องประสบเพราะการกระทําชั่วเหล่านั้นตลอดถึงความกลัวต่อภัยที่จะเกิดแก่ตนในอบายเป็นตน้นเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลเป็นการประพฤติปฏิบัติความดีทั้งหลายเพราะปัจจัยเหล่านั้นจะเป็นเครื่องค้ำจุนสนับสนุนให้ จิตใจของบุคคลมีความกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในตัวเองในการกระทำความดีเมื่อพื้นฐานของจิตใจเป็นอย่างนี้แล้วบุคคลจะอยู่ในฐานะในอาชีพอะไรก็ตามสามารถจะประพฤติปฏิบัติในฐานะในอาชีพเหล่านั้นให้เป็นสุจริตได้ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงธรรมแก่พระเจ้าสุโธธนะพระพุทธบิดาในตอนแรก จึงทรงแสดงว่าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่ไม่ควรประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตเพราะบุคคลที่ประพฤติธรรมพี่เป็นสุจริตย่อมไปสู่สุกติส่วนผู้ประพฤติทุจริตย่อมไปสู่ทุกขติดังนี้พื้นฐานแห่งธรรมทั้งสประการนี้คืออินทรียสังวรความสำรวมระวังอินทรีย์ของตนเวลาตาเห็นรูปเป็นต้น และการพิจารณาปัจจัยสี่ทั้งในชั้นของการสแสวงหาในชั้นของการบริโภคในชั้นของการซื้อหาให้ยุติด้วยเหตุผลและความดีโดยอาศัยหลักของอาชีวปริสุทธิ์คือดำรงชีวิตเลี้ยงชีวิตในทางสุจริตธรรมแต่ละอย่างนี้เป็นปัจจัยน้อมนำให้เกิดความมั่นคงในด้านศีล คือสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้เมื่อความสำนึกอันเป็นพื้นฐานของจิตใ จ, จมากสูงพอแล้วจะอยู่ในจุดหนึ่งที่ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลที่มีสำนึกสูงเช่นนี้แม้จะถึงกับเสียสละชีวิตจะไม่ทำศีลอันพระโลกกนราทรงบัญญัติว่าจะไม่ทาลายศีลอันพระโล ก, ก น, นาทรงบัญญัติไว้ จะรักษาศีลของตนเหมือนจามารีรักขาขนหางหรือเหมือนนอกต้อยติวิตรักษาฟองไข่ฉะนั้นคอนี้ท่านแสดงไว้ว่าสัตว์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าจามารีนั้นมีขนหางที่สวยงามมากเวลาแกหนีภัยนี้อันตรายต่า ง, างๆถ้าหากหางแกเกิดไปเกี่ยวกับอะไรที่ใดที่หนึ่งข้าวแกจะไม่ยอมวิ่งหนีต่อไปเพราะกลัวขนหางแกะจะขาด จะแกะขนหางนั้นให้ออกเสียก่อนแม้ในขณะที่พยายามอยู่สัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นจะมากัดแกะแกะก็ยอมตายเพื่อรักษาขนหางเอาไว้บุคคลผู้มีศรัทธามั่นคงในศีลอันพระโลกกนาาทรงบัญญัติไว้และต้องการที่จะให้ศีลานุสติของตนดำเนินไปตามคันลองแห่งสมาธิจึงควรยึดหลักตามที่ทรงแสดงไว้นี้ แล้วศีลานุสติซึ่งเป็นอารมณ์ของกรรมฐานก็จะเป็นปัจจัยนำให้เกิดเป็นสมาธิในชั้นนั้นจนถึงได้บรรลุฌานในที่สุดต่อจะนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป